2. มูลายะปฏิกัสนารหะวัตตะว่าด้วยวัดของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมยินดีการที่ปกตะทตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจิกรรม